จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้พุทธภาษิตรู้สึกว่าวันนี้สัญญาณเสียงของอาจารย์จะผิดเพี้ยนอีกแล้วนะคะ ไม่ทราบว่าอุปกรณ์ที่ตั้งไว้นะคะมีความคลาดเคลื่อนด้วยประการใดเพราะว่าระดับเสียงไม่เป็นไปตามที่เคยตั้งไว้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะเข้าที่แล้วค่ะค่ะอาจารย์คะชีวิตก็อย่างนี้จริงๆนะคะจะหาความคงที่แน่แท้ถาวรไม่แปลไม่เปลี่ยนนี่เห็นทีจะไม่ใช่นะคะคุณสีหน้าต้องรู้ว่ากําลังคุยกับใครคุณสีหน้าไม่ได้คุยกับคนที่มีร่างกายเป็นปกติผมเอง ก็ไม่ได้เป็นคนที่มีร่างกายเป็นปกติเหมือนคุณสีนาธเนี่ยที่ก็เรียกว่าความไม่ปกติก็คือความพิการคะ่ะเมื่อมีมีความพิการคูุยกัคนพิการสิ่งต่างที่ออกมามันก็จะมักจะบกพร่องแบบนี้แหละอ้าวอาจารย์เป็นคนพิการตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะได้ยินข่าวแว่แวๆม า, าว่าอาจารย์ลาออกจากความพิการแล้วไม่ใช่เหรอคะก็ว่ากันอย่างนั้นแหละค่ะเขาว่ากันอย่างนั้นแหละว่าก็ไม่เห็นความพิการเลยนะะคเอตอนนี้ก็มองลึกซึ้ง<า>ว่า พิการข้างนอกกับพิการข้างใน oh, นะมัน <because S 2> มต่าง<ข>กันมีชั้นนอกชั้นในอีกนั่นแหละนะคะพิการข้างนอกเนี่ยคล้ายๆก็เห็นได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ปกติเดินไม่ได้ยืนไม่ได้ก็ได้แต่เพียงแค่นอนกับนั่งโอ้นี่ไม่ปกติแล้วจะทําอะไรก็จะไม่สมบูรณ์แบบมีข้ อ, ขอบอกพร่องมากมายค่ะ <c oughs> แต่เรื่องของข้างในเนี่ยเราต้องสนทนากัน <c oughs> พูดคุยกันอยู่ด้วยกันแล้วก็จะเข้าใจจติยธรรมหลายท่าน ท่านบฟังหลายคนอาจจะได้มาพบมาเจอแล้วก็ได้สนทนากันบางทีจะเห็นว่าเราคุยกันเหมือนอย่างกับเราไม่ได้เป็นอะไรกันพอ ม, มองหน้าครั้างแรกก็อโอ้นี่หน้าสงสารอย่างเนาะคอืทําไมถึงเป็นอย่างนี้ทําไมสภาพอย่างนี้นนเนาะอพอแต่พอคุยกันนี่มันกลายเป็นว่ามันลืมไม่พอตรงนั้นเป็นเลยแล้วที่หน้าตลกยิ่งกว่า น, <c oughs> นั้นคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนที่เห็นอาจารย์ที่มาเยี่ยมมาคุยมาปรึกษาหารืออะไรกับอาจารย์ที่ชมรมเนี่ย ภาพแรกที่เห็นอาจารย์เนี่ยเกือบทุกคนเลยค่ะแม้แต่ตัวเองด้วยจะรู้สึกว่าอาจารย์ได้ดูทุรักทุเลน่าสงสารนะคะจะเคลื่อนไหวก็ลำบากจะทําอะไรก็ดูไม่ค่อยถนัดทนีนะคะแต่พอคุยคุยกันไปแล้วเนี่ยเหมือนเป็นการแลกหมัดของนักมวยะะเลยค่ะเพราะว<อ>่าความพิการหรือความน่าสงสารเนี่ยจะย้ายฝั่ง<อ>ย้ายฝ่ายย้ายมุมค่ะทีแรกอาจารย์เนี่ยเป็นผู้น่าสงสารสําหรับผู้ที่ไปมหาสู่แต่พอคุยกันไปสักพักนะคะ อาจารย์จะเปลี่ยนมุมค่ะจารย์จะเปลี่ยนมุมเป็นผู้ที่ความน่าสงสารลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแล้วคนที่มาหามาเยี่ยมมาคุยมาปรึกษาหารือก็จะเพิ่มความน่าสงสารขึ้นเรื่อยๆอในขณะที่ร่างกายแข็งแรงสมปบูรณ์ทุกอย่างแต่ความทุกข์โถมทัจบจิตใจซะนี่กระไรฟังไปฟังมาคนดูนี่ก็ต้องเปลี่ยนฝั่งให้ความน่าสงสารไปอยู่อีกฝากนึงอะค่ ะ, คะซึ่งทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยกล่าวได้ไหมคะว่า เป็นผลของการฝึกจิตของเร า, เราดังคำพุทธภาษิตที่ยกมากล่าวนำรายการในเช้าวันนี้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ครับเข้าไปในทํานองนั่นแหละหลายคนพอเจอกันแรงแรกก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งแต่พอได้สนทนากันก็ความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปได้ตอนแรกอาจจะเข้าใจผิดพอมาเข้าใจดีแล้วก็ออ อะไรคืออะไร <c oughs> มันมยัง ก, กับผมนี่ถ้าจะเป็นการแสดงละครก็เรื่อละครไม่สมบทบาทปกติคนที่มีร่างกายไม่สมประกอบเนี่ยใจมันต้องเป็นทุกข์ด้วยเขาเป็นของคู่กันเห <c oughs> มือนอะไรกับคู่อะไรอย่างนี้เชียคะร่า <c> ง <oughs> กายเป็นทุกข์กายมันก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ทีนี้การเปลี่ยนแปลงในศาสตร์เช่นนี้ยมันเริ่มกับการที่ศึกษาเรื่องของจิตทําความเข้าใจเรื่องของจิตว่า ความเป็นมาที่แท้จริงนั้นจิตมันเป็นอย่างไรค่ะ <c oughs> มันก็ต้องศึกษาเขาเรียกว่าการฝึกจิตที่จริงการฝึกจิตเนี่ยจิตเนี่ยมันไม่ต้องไปฝึกเพราะจิตเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะอ้าวมันดีอยู่แล้วจะไม่คานกับพุธธ <c oughs> พทธภาษิตซะแล้วเหรอคะว่า <c oughs> <อ>จิตไม่ต้องฝึกาฟังโดยก่อนจิตเรานี่มันดีอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าไอ้ภาวะของจิตดีอย่างเงี้ยเราไม่สามารถจะรักษามันได้อาจารย์ต้องพูดอย่างนี้เปล่าคะจริงๆแล้วเนี่ย จิตเนี่ยไม่ต้องฝึกให้ดีเพราะพื้นฐานเดิมเนี่ยเขาดีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าเขาดีไม่นานดีชั่วครั้งชั่วคราวครับแล้วการฝึกนี่คือฝึกให้ดีสม่ําเสมอหรือว่ายาวนานขึ้นอย่างนั้นไหมคะเพราะว่าจิตเนี่ยพื้นเพเขาเนี่ยบริสุทธิ์ผ่องใส ด, ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นะก็คือสิ่งที่จรมาสู่จิตจิตดีแต่ว่าสิ่งที่จอนมาสู่จิตเนี่ยมันไม่ดีคืออารมณ์คือความคิดพื้นฐานาจิตนะดี แต่สิ่งที่จอนเข้ามาเนี่ยไม่ดีก็เลยมาเคลือบมาแฝงมาย้อมให้จิตที่พื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่ามอมแมมไปเศราหมองไปแต่ว่ามีก็ได้ว่าจิตมันดีอันนี้สายเราไม่ดีนิสัยเราไปเชื่อความรักความรอบความโกรธความหลงอารมณ์ทต้องเนื่องเราเราไปเชื่อตรงนั้นซึ่งจรมาทําให้จิตเนี่ยมัวหมองไปชั่วขณะหนึ่งแล้วเขาก็จะจอนออกไปคพอจรออกไปแล้วจิตมันก็ดีเหมือนเดิมอันที่จริงแล้วเนี่ย มันจะว่าไปจิตมันก็คือจิตเขามีความเป็นของใสแบบนั้นอยู่แล้วแต่อารมณ์ที่จอยมาสู่จิตเนี่ยมันไม่ใช่จิตมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตก็คงเป็นจิตมันเดิมไม่เหมือนกับไอนเนี่ยแก้วน้ําเนี่ยแก้วที่ใส่น้ําเต็มเนี่ยเราดูเถอะปกติแก้วเนี่ยมันว่างแต่ที่เวลามีน้ําเนี่ยเพราะว่าเราน้ําเข้ามาใส่จึงกลายเป็นแก้วน้ําแก้วจึงไม่ว่างแต่ดูจริงๆเอะแก้วก็คือแก้วน้ําก็คือน้ำ มันไม่ใช่อันเดียวกันแต่แล้วที่มันอยู่ด้วยกันเพราะว่ามันอาศัยกันอยู่แล้วผู้สุดท้ายน้ําที่อยู่ในแก้วเนี่ยมันก็จะต้องหมดเพราะฉะนั้นการฝึกจิตนั้นคือการมาเรียนรู้จิตรู้จักธรรมชาติของจิตทําความคุ้นเคยกับจิตจนเกิดความเข้าใจอ๋อของเก่าที่เรามีอยู่นี่มันดีอยู่ก่อนแล้วนะไอ้ส่วนที่มันแปลกปลอมนี่เนี่มันเป็นส่วนที่จะต้องฝึกมันฝึกนิสัยก็เรียกฝึกหัดดัดนิสัย ฝึกกาตัวนิสัยเพราะไม่มีใครสามารถฝึกจิตได้ไม่มีใครสามารถที่จะบังคับจิตให้พ้นทุกข์หรือหลุดพ้นได้เพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้จิตทำความาขเข้าใจกับจิตให้ถูกต้องบังคับไม่ได้แต่เรียนรู้ แ, <ถ>แลก เ, เปลี่ยนได้ครับการเรียนรู้การเข้าใจจิตนั้นมันนาให้อารมณ์เนี่ยแค่จะผ่านมามันก็ย้อมย้อมจิตย้อมใจไม่ได้มันก็จะผ่านไปจิตก็คือกลายเป็นจิตเหมือนเดิมเนี่ยเพราะนั้นการฝึกจิตคือการ ศึกษาและก็เรียนรู้ทําความเข้าใจอันนี้เป็นบทสรุปแต่ว่าวิธีการฝึกนั้นมันต้องอาศัยอุปกรณ์หลายอย่างคนจะต้องมีศรัทธาจะต้องมีความเพียรอาจจะต้องมีสติมีสมาธิมีความเข้แมแข็งอดทนมันต้องเกิดปัญญาจึงจะเข้าใจเรื่องของจิตอย่างลึกซึ้งแล้วก็ไม่ต้องไปฝึกอะไรเลยเพียงแต่ทําความเข้าใจแล้วก็ปล่อยมันไป และกระบวนการฝึกจริงมีมากมายมากอ น, นี้ถืว่าเป็นกระบวนการเป็นการสั่งสมประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้เน่ยอันนี้ถืว่าเป็นการฝึกจิตที่เรียกว่าเป็นการฝึกจิตฝึกจิตที่จริงฝึกขัดดันนิสัยเรานั่นเองฟังอาจารย์พูดตรงนี้แล้วก็นึกถึงคําถามที่อาจารย์ถามครูฝึกสอนเสือที่เราไปดูในโชวเสือที่สวนเสือสีราชานะคะครับ อาจารย์ไปถามครูฝึกเขาว่าระหว่างการฝึกเสือกับการฝึกใจของเราเนี่ยอะไรยากกว่าคําถามที่เราถามไปเนี่ยเราไม่เขางงนะเขาอึ้งเลยนะคะอึ้งกิมกิเลยค่ะไม่นึกว่าจะมีมนุษย์ใดมาถามคําถามเยี่ยงนี้นะคะเขาอึ้งอยู่พักๆหนึ่งแล้วเขาก็ตอบว่าฝึกใจตัวเองยากกว่าครับเนี่ยผมนั่งดูที่เขาแสดง โชวการเล่นกับเสือค่ะเนี่ยเราดูแล้วทึ่นชมยินดีเนาะเขามีความสามารถที่จะทาเสือเป็นแมวได้เลยยกขาสองขากระโดดลอดวงไฟเต้นลํากับเสือสัมผัสกับเสือเสือไม่ใช่ตัวเล็กๆนะตัวใหญ่วเขาอีกสองเท่าค่ะหรือว่าแค่อ้าปากเนี่ยศีรษะของผู้ฝึกเนี่ยก็หลุดก็ไปในคอได้ระบายระบายแต่เขาสามารถจูบเสือจูบปากเสือ ตอนแรกเราก็เชื่เอชมว่าเอเสือนี่มันฝึกง่ายเนาะมันไม่ดุร้ายที่เราคิดเลยก็ไปชื่อชมยินดีกับเสือต่อมาเอ๊ะความเก่งนี่ไม่ใช่เสือแะแล้วคคนฝึกต่างหากที่เก่งเมื่อที่เก่งสามารถฝึกสัตว์ที่ดุร้ายให้เชื่องยิ่งกว่าแมวได้คนซึ่งแมวนี่ฝึกไม่ได้แนละ้วอย่างเงี้ยไม่เคยใครฝึกแม่ให้ยืนสองขาได้แมวนี่มันดือ้อพอดึงหางมันจะไปทางหัวพอดึงทางหัวมันจะถอยหลังคในพอรูปหลังมันเอาท้องติดดิน พอรูปท้องมันก็ยกก่งตัวขึ้นจับมันโยนให้หัวลงมันก็เอาขาลงโอ้แมวเนี่ฝึกยากฝึกไม่ได้แต่เสือฝึกได้เพราะฉะนั้นคนฝึกเสือเนี่ต้องเก่งก็เลยอยากจะถามา ก, ก, าก็ในเรื่องของการฝึกนเรียองเขาคนออกไปแล้วก็ไปคุยเขา <laughs> การฝึกเสือเนี่ยมันยากไหมยากเทคนิคการฝึกเสือมีอะไรบ้าง <laughs> เขาก็บอกเทคนิคเทคนิคเนี่ยดีนะเขาฝึกบอว่าเราต้องรู้จักธรรมชาติของเสือแล้วก็ ต้องทำความคุ้นเคยกับเสือเราก็นึกถึงตบบนี้อ๋อถ้าเรามีลูกมีหลานจะฝึกลูกฝึกหลานหรือฝึกใครก็ตามเราต้องรู้จักธรรมชาติของเขาก่อนแล้วก็ทำความคุ้นเคยครูที่จะสอนเด็กได้ดีนั้นจะต้องเข้าใจเด็กแล้วก็สัมผัสทำความเข้าใจได้ว่าเด็กไม่มีธรรมชาติแบบไหนแล้วก็พูดคุยกันตามปกติคือสร้างความคุ้นเคยอืมที่สีนี้ดีจริงก็เลยนึกต่อไปว่า มันไม่เพียงแค่สองอย่างหรอกไม่เพียงแค่ทำความเข้าใจหรือคุ้นเคยเราต้องมีความเพียรด้วยมีความขยันมีความอดทนไม่ท้อแท้ต้องมีความกล้ า, าหาญ ร, รู้จักสังเกตเนี่ยอันนี้เราคิดเติมลงไปนะสักพักหนึ่งเราก็ถามคำถามที่ตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าถามกลัวเขาจะคิดมาก็กถามจริงไระหว่างเราเนี่ยไปฝึกเสือก็ฝึกใจเราเนี่ยอะไรมันยากกว่ากัน เขาก็งง ไ, ไม่ทำไมกันต่างไม่เคยมีใครมาถาม <c oughs> คําถามนี้นะคะ <c oughs> คือถามได้เพื่อความรู้นะค่ะความรู้แต่เขาเคง ไ, ไม่เคยถามตัวเองเลยนะคะไม่เคยแล้วเขาก็หยุดคิดแต่เขาตอบด้วยความเยันใส่ว่าการฝึกใจนี่ยากมากแล้วก็อนุโมทนาสาธุสิ่งที่เขาตอบมาเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าเป็นสัจธรรมก็ว่าได้ฝึกใจตัวเองเนี่ยยากกว่าฝึกอะไรทั้งสิน้นคนเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยฝึกใจตัวเองมักจะไปเฟื่คนอื่น สอนคนอื่นไปอยากคนอื่นเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้แต่รูมไหมว่าใจเราเนี่ยก็ทําอย่างนั้นไม่ได้ค่ะเราฝึกเขาได้เราสอนก็ได้แล้วก็สอนใจเราไม่ได้และสิ่งที่เราอยากสอนคือใจคนอื่นไม่เคยมาสอนใจเราเมื่อใจเรายังสอนยากสอนลาบากแบบนี้แล้วและใจคนอื่นล่ะเขาจะสอนง่ายได้หรือเราต้องเข้าใจเราจะสอนใจคนอื่นได้นั้นเราต้องสอนใจเราก่อนเราจะได้เข้าใจธรรมธาตุของใจ เข้าใจธรรมชาติของจิตต้องทำวามคุ้นเคยกับจิตของเราเนี่ยด้วยการสั่งสมประสบการณ์ทักษะการเรียนรู้ก็คือการปฏิบัติธรรมตรงนี้จะได้เข้าใจจิตของเราพอพูดถึงตรงนี้ก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงการสอนที่จะต้องมีในทุกบ้านทุกครัวเรือนก็คือการที่พ่อแม่สอนลูกพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหากับลูกในเรื่องของการที่รู้สึกว่าลูกเนี่ยไม่เป็นอย่างใจของตัวเอง ดังที่ได้เห็นมานะคะพ่อแม่หลายครอบครัวเลยทีเดียวที่มาแหมอยากจะใช้คำว่ามาฟ้องอาจารย์ว่าลูกดื้อย่างงั้นลูกไม่เชื่อฟังอย่างนี้ลูกมีปัญหาอย่าง น, านู้นก็เลยเกิดมุมมองต่างความคิดว่าเป็นไปได้ไหมหนอว่าคุณพ่อคุณแม่เหล่านั้นเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งเหมือนกันที่ลืมสอนใจตัวเองก่อนแ ล, แ ล, แล้วค่อยไปสอนลูกแต่<อ>ด้วยความคาดหวังที่อยากเห็นลูกดี ก็เลยพยายามที่จะยัดเยียดสิ่งที่เห็นว่าดีใส่ไว้ในใจของลูกเป็นไปได้ไ้ยคะอาจารย์ครับคนทุกคนในอยากแะดีเทงนั้นแหล ะ, ะไม่อยากเป็นคนเลวอยากเป็นคนดีอยากให้คนสรรเสริญชื่นชมยินดีแต่ว่าบางทีภาวะตรงนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ถึงที่จะเป็นที่เราคิดเรามากักจะมีการคาดหวังมากเกินไปว่าใครต้องดีอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วย มองแต่ภาพที่เป็นฝ่ายที่ขาวไปหมดเลยมาถึงขาวฝ่ายดีนะแต่เราเรีนดูธรรมชาติของเด็กที่จะรับฟังเท่านั้นบางทีอาจจะยังไม่พร้อมที่จะทําในสิ่งที่เราแนะนำนะเราต้องเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจเขาซะก่อนแล้วเราค่อยใส่ค่อยเติมที๊เยเล็กเตี๊น้อยไม่ใช่ว่าเราพูดปั๊บจะต้องดีที่เราคิดไม่ใช่มันต้องอาศัยเวลาอาศัยโอกาสอาศัยสิ่งแวดล้อมบางทีสิ่งแวดล้อมของลูก มันก็ไม่ดีเหมือนเช่นตัวเราเป็นต้นเราเป็นคนขี้โกรธเป็นคนหงุดหงิดเอาใจตัวเองแล้วจะให้เด็กเขาดีกว่านี้ได้อย่างไรเราต้องทำตัวอย่างให้ดูการสอนที่ดีก็ต้อทําตัวอย่างให้ดู่นั้แล้วเป็นการคาดหวังที่พอสมควรไม่ใช่เกินควรเพราะเกินควรแล้วเขาดีขึ้นมาแล้วแต่ว่าเขาดีอย่างไม่ได้อย่างใจเร า, เรามันก็ทุกข์มันก็เครียด ที่จริงโลกมันไม่เลวร้ายแบบนั้นหรอกอาศัยเวลาสักหน่อยตรงนี้ไงคะอาจารย์<ช>รยค่ะหัวใจของการฝึกใจเราก็ดีฝึกคนอื่นก็ดีฝึกเสือฝึกช้างหรือว่าฝึกหมูอย่างที่เราไปเห็นมาก็ดีเนี่ยนะคะครูฝึกทุกคนพูดเลยค่ะต้องใช้ความอดทนอย่างยิ่งนะค ะ, คะไม่ใช่พอประมาณนะคะต้องใช้อย่างยิ่ ง, งเลยค่ะต้องรู้จักทาจิตทาใจด้วยคนที่จะเป็นคนที่ฝึกคนอื่นนั้น ถ้าไม่วางใจตรงนี้ว่าเราต้องอดทนเราต้องหนักแน่นเนี่ยไม่สามารถฝึกสําเร็จไนดะ้ครับต้องทําใจรู้จักยอมรับในสิ่งที่เรายังทําไม่ได้หรือในสิ่งที่ผลยังไม่ปรากฏต้องทําเข้าใจในส่วนนี้แล้วก็สังเกตดูว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้หาสาเหตุแล้วแก้ที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นอนอกจากการที่เราจะต้องเรียนรู้ธรรมชาตินิสัยของบุคคลหรือของสัตว์หรือของสิ่งที่เราต้องการจะฝึกเนี่ยนะคะเราต้อง บอกใจตัวเราเองเลยว่าเพื่อเป้าหมายที่เราต้องการนั้นครับนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีแน่นอนคงไม่มีใครฝึกตัวเป็นคนชั่วนะคะเราก็จะสังเกตดูว่าบางทีคนที่ฝึกจิตตัวเองเนี่ย ค, คือการจิตสติก็ดีการปฏิบัติธรรมก็ดีเราจะเห็นว่าความต้องการของจิตนั้นเขาไม่ใช่อย่างที่เราคิดหรอกจิตเขาเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วแต่ว่าใจเราเนี่ยอยากให้จิตมันดีกว่านี้คือไม่เห็นจิตเดิมแท้ว่าจิตต้องสงบ ต้องคิดแต่สิ่งที่ดีๆจิตที่ไหนอำนาควบคุมของเราพอจระสติไปเจอจิตที่มันฟุง้งซ่านวุ่นวายไม่เอาละไม่ไหวละจิตเราฝึกไม่ได้ไอ้ความคิดว่ามันไม่ได้ไม่ไหวเนี่ยมันทําให้จิตเนี่ยมันสงบหรือมันฟุง้งก็ทําให้จิตสงบได้ที่ไหนก็ต้องทำให้จิตมันฟุ้งมากยิ่งขึ้ น, นเพราะความไม่พอใจในจิตที่มันปรุงแต่งจิตธรรมชาติของเขาต้องปรุงแต่งแต่เราเป็นผู้ที่ฝึกเรารู้ไม่ทันแล้วคิดว่าจิตมันต้องสงบอย่างที่เราคิด ถ้จิตสงบจริงแล้วก็จะได้มีความสุขมีความสบายอันนี้คือความคิดที่ทำให้จิตไม่สงบนั่นเลยถ้าเรารู้จักยอมรับว่ า, าอ๋อจิตมันก็เป็นเขาอย่างนี้แหละเขาฟุ้งเดี๋ยวมันก็หายฟุ้งมันจะได้เกิดปัญญารู้เท่าทันจิตว่าอ๋อจิตเขาเป็นอย่างนี้เองเราไม่สามารถจะบังคับควบคุมจิตได้ค่ะแต่รู้ทันแล้วก็จะรู้จักปล่อยวางปล่อยให้จิตเป็นจิตให้อารมณ์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราจะเกิดปัญญาเกิดการเ ร, รียนรู้เกิดทักษะแต่ถ้าเราไปฝึกจิตว่า พอจิตฟุ้งไม่ดีแล้วไม่ชอบแล้วเราก็จะไม่เกิดปัญญาแต่ถ้าเริ่มฝึกเริ่มดูจิตจิตมันสงบอ๋อเราสบายนั่นหารู้ไม่ว่าจิตยังไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมาคเราก็บอกอ๋อนี่เราสบายแล้วฝึกได้แล้วหลุดพ้นละมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่พอเราเผลอพอจิตแสดงอาการออกมาเนี่ยมีทั้งความโกรธความทุกข์ความท้อแทอะเราตั้งหลักไม่ทันเพราะฉะนั้นการฝึกจิตถ้าจิตมันวุ่นวายสับสนดีนั่นแหละ เราได้รู้ทันของเขารู้ทันจิตแล้วจะปล่อยวางได้อย่างเช่นตัวอย่างเราไปดูจระเข้เขาฝึกจระเข้เขเล่นกับจระเข้แต่จระเข้เนี่ยมันแล่อ ม, มันนอนนิ่งอ่าให้อ้าปากมันก็อ้าปากดึงหางไปมันก็ไปตามนิ่งคนฝึกคิดว่าผูเนี้สงบนะฝึกได้สบายแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเขาดุร้ายขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้ระวังตัวนะ เขาดูร้ายขึ้นมาจะสู้เขาไม่ได้นะเพราะการเขานิงอาจจะขี้เกียจําการแต่ถ้าบัดวันหนึ่งเขาดูร้ายขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะเสียท่าพลาดได้ไงไงพลาดโดนงับเอามือล้วงไว้มงับมือก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการฝึกจิตการที่จะเรียนรู้เรื่องจิตเนี่ยทั้งสำคัญมากคเราไม่สามารถที่จะฝึกให้แดงใจเราได้หรือไปบังคับจิตให้นิพพานได้แต่เราศึกษาเรียนรู้คทําความเข้าใจว่าอ๋อจิตเขาเป็นอย่างนี้เองค จิตก็เป็นนี้เองจิตเขาเป็นปกติอยู่แล้วแต่ที่ไม่ปกติเพราะว่านิสัยของเราะจะได้รู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอะไรบางอย่างที่ค้างคาใจเอาไว้สุดท้ายนี้ต้องแยกกันระหว่างจิตอันมีพื้นฐานดีอยู่แล้วของอบุคคลกับอุปนิสัยของบุคคลที่ขยันจะให้สิ่งที่จรเข้ามาผ่านเข้ามากระทบแล้วกระเทือนครับหรือว่าแปดเปื้อนม่อมแแมบไป ก็ฝึกแท้แต่ความเข้มแข็งและประสบการณ์ในการฝึกจิตนะคะก็คืออนุสัยที่ความเคยชินที่ต้องเชื่อความคิดเชื่ออารมณ์แล้วเปลี่ยนหมายมาจนรู้ทันรู้แล้วก็ไม่ต้องไปเชื่อเนี่ยเปลี่ยนนิสัยความเคยชินที่จะรู้แล้วก็ปล่อยวางกับนิสัยที่รู้แล้วก็เข้าไปยึดติดหรือหลงแล้วเข้าไปยึดติดอนิสัยเนี่ยไม่ดีถ้านิสัยนี้ก็คือรู้แล้วก็ปล่อยวางจิตก็เป็นจิตเหมือนเดิม สุดท้ายธรรมศากักชาว่าด้วยเรื่องของจิตและการฝึกจิตในเช้าวันนี้นะคะก็คงจะต้องจบลงที่พุทธภาษิตที่นำมาเปิดรายการเมื่อตอนต้นรายการละค่ะว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้คะ่ะ